ชื่อสัญเจตนิกาสุกะวิสัตถิปิดไว้วันเดียวแก่กระผมกระผมนั้นอยู่ปริวาสแล้วขอมานัดหกราตรีเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิปิดไว้วันเดียวกับสงพึงขอแม้ครั้งที่สองละพึงขอแม้ครั้งที่สามละ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 สัญเจตนิกาสุกะวิสัตถิปิดไว้วันเดียวกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้ปริวาดวันเดียวเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกะวิสัตถิปิดไว้วันเดียวแก่ภิกษุอุทายีภิกษุอุทายีนั้นอยู่ปริวาดแล้วขอมานัดหกราตรีเพื่ออาบัตหนึ่งตัว ชื่อสัญเจตนิกาสุกะวิสัตถิปิดไว้วันเดียวกับสงถ้าสงพร้อมแล้วพึงให้มานัดหราตรีเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัตถิปิดไว้วันเดียวแก่ภิกษุอุทายีนี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้า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 สันเจตนิกาสุกกวิสัตถิปิดไว้วันเดียวแก่ภิกษุอุทายีแล้วภิกษุอุทายีนั้นอยู่ปริวาทแล้วขอมานัดหราตรีเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัตถิปิดไว้วันเดียวกับสงสงได้ให้มานัดหราตรีเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อ สันเจตานิกาสุกะวิสัตถิปิดไว้วันเดียวแก่ภิกษุอุทายีแล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้มานัดหกราตรีเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตานิกาสุกะวิสัตถิปิดไว้วันเดียวแก่ภิกษุอุทายีท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักทวง แม้ครั้งที่สองข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าละแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าละมานัดหกราตรีเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุ ก, กะวิสัตถิปิดไว้วันเดียวสงให้แล้วแก่ภิกษุอุทายีสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่ง ข้าพระเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้